บทนี้จะได้แสดงอัฏฐะคือปีะะรันโถซึ่งเป็นสกละลักษณะแห่งทุกขอริยสัจแสดงลักษณะแห่งทุกขอริยสัจเป็นแท้นั้นขึ้นแสดงพอเป็นเอกเทศแต่จะได้แก้ไขในบทว่าทุกขนั้นก่อนนักปราชญ์ผู้มีปรีชาพึงสันนิฐานเถิดว่าทุกอขอักขระนั้นแปลว่าพึงเกลียดว่าเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายเป็นอันมาก ขอัคระนั้นแปลว่าศูนย์เปล่าจากอันเที่ยงแท้มั่นคงศูนย์เปล่าจัดงามจากดีจากที่เป็นสุขเป็นอัตมาอันหาคนพานหาปัญญามิได้นั้นย่อมดําริว่าเที่ยงว่าแท้ว่างามว่าดีว่าเป็นสุขอันพระอาริยเจ้าทั้งหลายท่านสำคัญสัญญาว่าพึงเกลียดว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตถวะโดยแท้ ประ ก, การหนึ่งณพาธกังทุกขังทุกนี้ถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ในการใดสัตว์ทั้งปวงก็ไม่ลำบากเวทนาในการนั้นเราท่านเกิดมาเป็นสัตว์เป็นชีวิตเป็นหญิงเป็นชายนี้เหลีกนีกองทุกอันนี้ไม่ได้ไปไม่พ้นจึงต้องเวียนวนท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารกลับไปกลับมาสิ้นการช้านานนับชาตินับภพบไม่ได้ ก็เพราะว่าทุกนั้นติดตามเบียดเบียนทุกชาติทุกชาติไปแก้ไขในอุเทสวานชนีอันบัดนี้จะวิสัชชานิเทศวานต่อไปในนิเทศวานนั้นพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเป็นกัเตตุกกรรมยตาปุชชาแปลเนื้อความในนิเทศวาลว่าพิกเวดูก่อนพิกขูทั้งหลาย กองทุกที่ตถาคตเทศนาว่าเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากเวทนาอยู่เนืองเนืองไม่รู้เว้นรู้วายได้แก่สิ่งใดดูก่อนพิกขูทั้งหลายกองทุกนั้นมีถึง13ากองคือชาติทุกกองหนึ่งชราทุกกองหนึ่งพยาทิทุกกองหนึ่งมรณะทุกกองหนึ่งโสกทุกกองหนึ่ง ปริเทวะทุกกองหนึ่งทุกขทุกกองหนึ่งโทมนาสทุกกองหนึ่งอุปายาสทุกกองหนึ่งอปิเยหิสัมประโยคนทุกกองหนึ่งปิเยหิวิประโยคนทุกกองหนึ่งยามปิดชังนลพปฏิทุกกองหนึ่งป จ, จุ ป, ปารทานัคขันธ ท, ทุกกองหนึ่งเป็นส3สามกองด้วยกันช น, นี ชาติทุกข์นั้นบังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายอันปฏิสนธิในกําเนิดทั้งสี่ประการคืออันทชาชลาพุชชาสังเสทชาอุปปาติกะหรือโอปป า, ปาติกะอันทชานั้นคือปฏิสนธิในฟองไข่ชลาพุชชานั้นปฏิสนธิในครันแห่งมารดาเหมือนอย่างเราท่านทั้งปวงนี้ สังเสรชานั้นปฏิสนธิในเงือและใครเหมือนอย่างตะกะแตนเลือดยุงเป็นอาทิชนีนั้นอุปปาติกานั้นหรือโอปปาติกานั้นได้แก่เทวดาเป็นต้นรันปฏิสนธิแล้วก็บังเกิดขึ้นมาโตใหญ่มีวัยวัฒนาการประมาณได้16ปีมีเครื่องประดับประดาอาพรบริบูรณ์เหมือนดังนางอัมพาปาลิคานิกาแพทยานั้น ชาติทุกข์อย่างนี้มีทุกทั่วตัวสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้ได้ความลำบากเวทนาเหตุเวียนไปเวียนมาเอากําเนิดในวัฏฏสงสารนั้นไม่รู้สิ้นรู้สุดไม่รู้หยุดรู้ยั้งเลยเสมอไปทุกชาติทุกภพจะนับจะประมาณมิได้เหตุการณ์ดังนั้นตถาคตจึงตรัสเทศนาเรียกว่าชาติทุกข ที่สัตว์ทั้งหลายเอาชาติปฏิสนธิในท้องนั้นมีอายตนะบริบูรณ์บ้างมีได้บริบูรณ์บ้างและสัตว์ปฏิสนธิในเหงือและใครนั้นก็ดีและสัตว์เอาปฏิสนธิเป็นอุปาติกะก็ดีก็เสวยชาติทุกอันยิ่งยวดเหมือนกันฉะนั้นอันสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดในชลามะพุชาคือปฏิสนธิในคันแห่งมารดา ก็ย่อมสวยชาติทุกข์เป็นอันมากปัทมังกลังโหติกละาละโหติอัมพุทธาชายาเตเปสิเปสียาชายเตขโนคณาชายันติสาคาปิเกสาโลมานคาปิจะสัตว์ทั้งหลายที่ถือเอาปฏิสนธิในคันมานดานั้นเมื่อแรกนั้นเป็นกลลละอยู่น้อยนักหนาเท่าหยาดน้ำมันงาหยาดหนึ่ง ติดอยู่ที่ปลายขนทรายจามรีมีพันณะอันใสดังน้ามันเนยเป็นอยู่เจ็ดวันแล้วก็เป็นอามพุทธะอันค้นเข้าดุดน้ำล้างเนื้อนั้นเจ็ดวันแล้วก็เป็นชิ้นเนื้ออยู่เจ็ดวันแล้วก็แน่นเข้าเป็นแท่งเนื้อมีสันนิฐานดังไข่ไก่อยู่เจ็ดวันแล้วจึงแตกออกเป็นปัญจาสาขาห้าแห่ง คือศีรษะรลหัสทั้งสองเป็นเท้าทั้งสองหยุดเจ็ดวันจึงเกิดเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตัโจหนังตัดโตปัฏายะจากเดิมแต่นั้นมาก็ตั้งแต่จะสวยทุกขเวทนาอยู่ในอุทธรประเทศแห่งมารดานั้นเป็นเบื้องหน้าหาที่อุปมามิได้ นั่งทับซึ่งอาหารเก่าของมานดานั้นไว้ทูนอาหารใหม่ของมานดาไว้นเบื้องบนศีรษะแห่งตนและทารกนั้นนั่งย่องยกมือทั้งสองขึ้นค้ำคางกอดหัวเข่าของตนผินหลังออกไปข้างพื้นท้องของมานดาผินหน้าเข้ามาข้างกระดูกหลังแห่งมานดาเหมือนหนึ่งวานอนนั่งอยู่ในโพรงไม้เมื่อฝนตก พังผืดคือโรคนั้นหุ้มกายอยู่มีอาจจะเหยียดหัตถบาทาออกได้สวยทุกขเวทนาอยู่ในอุทรประเทศแห่งมารดานั้นสาหัสจัดได้ชื่อว่าอยู่ในคุมนรกเมื่อมน์อันธการยิ่งนักมีกลิ่นอสุภะในอุทรรประเทศนั้นต่างๆเหม็นอกกระลบอยู่ทุกที่วาวราตรีเป็นที่พึงเกลียดยิ่งนักหนา เตโชธาตของมารดานั้นเผาให้ร้อนทุรนทนเวทนาลำบากดุดก้อนเนื้ออันบุคคลนึ่งในหม้อก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายอยู่ในคันแห่งมารดาสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสชนี้ได้ชื่อว่าขโกกันติกะมู ล, ละกะทุขจัดเป็นชาติทุกข์เป็นปฐมด้วยประการชนี้ประการหนึ่ง ทุกอันใดเมื่อมารดาพลาดลม้มลงก็ดีมารดาเดินไปเดินมาก็ดีกลับตัวไปกลับตัวมาก็ดีลุกขึ้นและนั่งลงก็ดีสัตว์อยู่ในคันนั้นสวยทุกขเวทนาให้สะดุ้งตกใจวาดวันไหวทั่วสันพางกายดุดลูกทรายอ่อนอันอยู่ในเอื้อมือนักเลงสุราถ้ามีเชนั้น ดูดงูตัวน้อยอยู่ในเอื้อมือหมองูกายให้สัตว์ไปสัตว์มาสัตว์ขึ้นสัตว์ลงให้กลิ้งไปกลิ้งมาขย่อนขึ้นขย่อนลงไม่ตรงอยู่ได้ดูหน้าลำบากเวทนานักหนาอีกประการหนึ่งเมื่อมานดากินของเย็นเข้าไปสัตว์ในคันก็เย็นเยือกสยดสยอง ดุจสัตว์อยู่ในนรกอันเย็นก็เหมือนกันเมื่อมารดากินของร้อนเข้าไปมีต้นว่าข้าวยาคูสัตว์ที่อยู่ในคันนั้นก็ให้ทนทุกข์ดิ้นรนดุจหาฝนทานเพลิงอันเรียรายลงบนศรีรษะอีกประการหนึ่งเมื่อมารดากินของเผ็ดกินของเค็มเข้าไปสัตว์อยู่ในคันนั้นก็ให้เจ็บให้แสบทั่วสันพางกาย ดุดคนทั้งหลายต้องราชอาชยาเขาแลเนื้อออกและเอาเกลือทาก็เหมือนกันสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสทุกขอย่างนี้ได้ชื่อว่าคับพัปริหาระมูลกะทุกขจัดเป็นชาติทุกคำรบสองอีกประการหนึ่งทุกขอันใดเมื่ อ, อยังอยู่ในคันมารดา และนอนควางอยู่ในอุทธรประเทศออกมาไม่ได้หมอต้องจับอัธบาทาชักลากออกมาทุกอันนี้ชื่อว่าคับพระวิปัติมูลกทุกุขจัดเป็นชาติตุกคำรบสามอีกประการหนึ่งเมื่อลงกันมัชวาสพัดกลับเอาตัวสัตว์นั้นบาทาขึ้นเบื้องบน และมีศีรษะลงเบื้องต่ำและสัตว์คว้างลงไปในทวารมุกดุดบุคคลอันตกลงในเหวอันลึกได้ร้อยชั่วบุรุษสุดแสนที่จะพิลึกพึงกลัวสะดุ้งตกใจวันไหวเมื่อจะออกจากทวารมุกนั้นก็แสนเวทนายิ่งนักดุดช้างสารออกจากช่องด่านถ้ามิฉนั้นดุดสัตว์ในสังคาานรก อันภูกเขาบีบไว้ให้เป็นจุลนไปก็เหมือนกันสวยทุกแสนเวทนาอย่างนี้นี่ทุกพบทุกชาติไปได้ชื่อว่าคัพพาชาติยะมูลกะทุกขจัดเป็นชาติทุกคำรบสีอีกประการหนึ่งเมื่อทารกออกจากคันแห่งมารดาอันบุคคลรับเอาด้วยมือแล้ว และล้างขัดสีทุกอันนั้นดุดแทงด้วยปลายเข็มและเชื่อดด้วยมีดอันคมให้เจ็บปวดทั่วสันพางกายทุกอันนี้ชื่อว่าคาพานิคขมะนมูลกาทุกข์จัดเป็นชาติทุกคำรบห้าอีกประการหนึ่งจับเดิมแต่ทารกนั้นออกจากคันมารดาแล้ว และเจริญไวัยวัฒนาการขึ้นมาบางทีบูรภกรรมผลหลังอันใดอันหนึ่งติดตามมาให้ต้องโทษอาชญาเขาจองจําด้วยคือคาก็มีและต้องตีต้องเคียนต้องคาเสียก็มีบางทีให้เครียดแค้นขึ้นโกรธขึ้นมาคาตัวเองเสียและผูกคอตายเสียและกินยาตายเสียก็มีสวยทุกขเวทนามีประการต่างๆดังพรนานามาชนี้ ได้ชื่อว่าอัตูปักกะมะมูลกะทุกจัดเป็นชาติทุกข์คำรบหกประการหนึ่งทุกอันใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและต้องเครื่องสัตว์ราวุธแห่งผู้อื่นก็ดีและต้องประหารด้วยไม้ค้อนก้อนดินแห่งผู้อื่นก็ดีทุกอันนี้ได้ชื่อว่าป ร, รูปักกะมะมูลกะทุก จัดเป็นชาติที่ทุกข์คำรบเจตแท้จริงแต่บรรดาทุกข์ทั้งปวงบังเกิดมีแก่บุคคลที่เกิดในโลกสิ้นทุกตัวคนอันมีชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยอันหนึ่งถึงสัตว์ในนรกนั้นได้สวัยทุกข์ต่างๆมีเพลิงเผาพลานเป็นอาทินั้นก็มีชาติเป็นปัใจจัยให้ปฏิสนธิ ชือว่าอัตูปะกมะมูลกัตุกข์จัดเป็นชาติทิฐุกำคำรบแปดอีกประการหนึ่งสัตว์ทั้งหลายถือว่าบังเกิดในติรชานกําเนิดนั้นได้สวยทุกขเวทนาลำบากเพราะบุคคลตีด้วยไม้แท้และแทงด้วยประตักตีด้วยไม้ค้อนคว้างด้วยก้อนดินและฆ่าเสียให้สิ้นชีวิตก็ดีก็เพราะชาติทุกข์เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิ ในติระชานกำเนิดนั้นก็จัดเป็นชาติทุกขมรบก้าวอีกประการหนึ่งถึงสัตว์เกิดในเปรตวิสัยนั้นสวยทุกขเวทนาอดข้าวอดน้ําทนลมทนแดดเป็นอาทินั้นก็จัดเป็นชาติทุกข์มรบสิบประการแก้ไขในชาติทุกข์ตามพระบรมพุทธาธิบาย ที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาในปฏิสนธินิเทศวานก็ยุติลงแต่เท่านี้